สา o สิ <Book> <35. S> 3ห <år> ้าเที่สนามบินในลุฟท์ทวน์ดิฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเธนค่ะยายเป็นเกล้านาบัตส์เลล์1ทัวที่อเน นี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหมคะอร์ด็ดเนดีเรกเลวน่ขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สูบบุหรี่ค่ะอินพลาสเินดูดุดไม่กิร์ย์ทักดิฉันขอยืนยันการจองค่ะย้ายจก้นอรครั้งเมินเรซเว่ดิฉันขอยกเลิกการจองค่ะ Jeg vil gerne aflyse min reservation. d i ฉัน n d t l i c a r r g k Jeg vil gerne ændre min reservation. t e b i n by r o m Tejl d t i ไป t gå til Rom. h v o r n a n går det næste fly til Rom? Er der er stadig to ledige pladser. ไม่เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นค่ะไม่เรากลับยังเหลือที่ว่างอีกหนเราจะไปถึงเมื่อไหร่คะบนโนแลนนาวิ no er, เราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไหร่คะบนโนแอร์วิ no รถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไหร่คะ นี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะแอร์เด็ดดิน f ระเนี่กระเป๋าถือของคุณใช่ไหมคะแอร์เด็ดดินทันี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะแอ d ์เด็ดดินเปร e ี่ฉันสามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไหร่คะหมายเปกเกเชมวยเทมือยี่สิบกิโลกรัมยี่สิบกิโลอะไรนะแค่ยี่สิบกิโลกรัมเองหรือคะบคุณยี่สิบกิโลกรุณาไปที่